ดูคนแต่ละคนนะจะเห็นได้ว่ามันมีแต่ความทุกข์มองไปรอบๆตัวเห็นแต่คนมีความทุกข์ตัวเราเองก็มีความทุกข์คนส่วนใหญ่เวลาตัวเองสบายก็เพลิดหลงไม่ดูพอมาเจริญสติเจริญปัญญาก็าจะเห็นความทุกข์ในตัวเอง ถ้าเข้าใจความทุกข์ตัวเองนะมองไปรอบรับตัวก็เห็นแต่ความทุกข์มองใครๆก็เขาก็ทุกข์นะน่าสงสารน่าเห็นใจไปหมดแล้วคนไม่เห็นความทุกข์ในตัวเองก็ไม่ดูความทุกข์คนอื่นไม่สนใจถ้าแจมแจ้งในใจเราเห็นทุกข์แย้งนะมองไปที่ไหนก็มีแต่ทุกข์ล้นล้นเลย นี่คนทั่วๆไปที่เข้าไมา่ภาวนานะภาวนาไม่เป็นเวลาเขามีความทุกข์เขารู้สึกเขาทุกข์คนเดียวคนอื่นไม่ทุกข์คือไม่มองคนอื่นมองตัวเองอย่างเดียวมองตัวเองอย่างเดียวแล้วมองไม่ตรงความจริงด้วยคิดว่าตอนนี้ทุกข์ในความเป็นจริงมันทุกข์ตลอดเวลาแต่มันไม่เห็นพวกเรามาหัดภาวนาคารองพ่อนะช่วงแรกที่จะฝึกเนีย เราจะพบความสุขที่ไม่เคยเจอมันเป็นความสุขจากจิตซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตมันมีความสุขขึ้นมาถ้า เ, เดิมนั้นจิตมันหลงตลอดจิตไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิพอเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดจิตตั้งมั่นให้นมาจิตมีสมาธิขึ้นมามีความสุขงั้นภาวนานะตอนเริ่มต้นใหม่ใหม่ จะเต็มไปด้วยความสุขนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความสุขแต่ถัดจากนั้นถ้าเราไม่นิ่งนอนใจหลงเพลินอยู่ในความสุขนั้นเราเริ่มมาเจริญปัญญาพอเราลงมือเจริญปัญญาเราจะเห็นความทุ ก, กข์มากขึ้นมากขึ้นไม่สุขอย่างแต่เดิมละหัดแรกๆสุขมากรู้สึกไหมสุขเยอะตอนแรกๆฝึกไปฝึกไปนะมีแต่ทุกข์แล้วมันดียังไง การที่เราเห็นทุกข์นั้นนะมันจะทําให้ใจนี้คลายออกจากโลกใจไม่เห็นทุกขนะ์นั้นใจก็เกาะเกี่ยวอยู่กับโลกเปลิอนอยู่กับโลกแล้วโลกนี้แหละนักปฏาบัตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นเบอร์หนึ่งนะท่านเห็นแจ้งแนละ้วว่ามันทุกข์จริงๆแต่คนหลงคนเขลาไม่รู้ว่ามันทุกข์้วเพลิอนอยู่กับโลกไปเรื่อยเปลียนว่ายตายเกิดไปเรื่อย คำว่าทุกปางตายนะยังไม่พอใช้สำหรับวัตถสงสารมันไม่ใช่ทุกปางตายมันทุกจนตายจริงจริงแล้วตายแล้วตายอีกด้วยไม่ใช่ทุกใกล้ๆจะตายทุกปางตายหมายถึงทุกจนเกือบๆจะตายคำว่าทุกปางตายในวัตตะนี่ไม่ใช่แค่ทุกปางตายแต่ทุกจนตายจริงๆเลยตายแล้วตายอีกด้วยเนี่ยคนเข่าไม่เห็น ถ้าผู้รู้เห็นนะผู้รู้จะไม่เอาเงั้นที่เรามาฝึกที่พระพุทธเจ้าพาเราเดินมานะขั้นแรกก็ฝึกให้เรามีสมาธิให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวตัวนี้จะมีความสุขขึ้นมาจะเป็นความสุขของสมาธิความสุขเล็กน้อยแต่คนไม่รู้ก็ถือว่าความสุขนี้เยอะและ้วเพราะเยอะกว่าทุกความสุขที่เคยเห็นความสุขจากการเห็นรูปความสุขจากการ ได้ยินเสียงความสุขจากการดมกลิน่นความสุขจากการลิ้มรสความสุขจากการกระทบสัมผัสทางกายความสนุกสนานทางใจอะไรเนี่ยเทียบไม่ได้เลยกับความสุขของสมาธิสมาธิก็ไม่ต้องเข้าฌานนะแค่จิตตั้งมั่นขึ้นมานะั่นแหละคือจิตมีสมาธิที่แท้จริงมันมีความสุขแต่ถ้าต้องทำฌานมีความสุขเฉพาะเวลาเข้าฌานออกจากฌานแล้วไม่มีความสุข ถ้าเราฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นไม่ใช่จิตสงบอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนอยู่ทั้งวันนะถ้าจิตตั้งมั่นอยู่จิตมีความสุขตลอดโดยไม่ต้องเข้าฌานยันสมาธิระดับลึกเลืองไปนะมีความสุขตอนที่ทำนะออกมาแล้วไม่มีความสุขแต่สมาธิชนิดคณิกะสมาธิจิตตั้งขึ้นเป็นขณนะขณะมีความสุขอยู่ขณะนี้เลยความสุขอันนี้ดูว่ามาก เมื่อเทียบกับการมาสุขสุขจากการเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสเรียกว่าการมาสุขสุขของสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเหนือกว่าเยอะเลยไม่ต้องดูรูปก็มีความสุขไม่ต้องได้ยินเสียงก็มีความสุขไม่ได้กลิ่นก็มีความสุขนไม่ต้องกระทบอะไรนะอยู่ตัวของตัวเองรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ก็มีความสุขแล้วอันนี้แหะคนทึ่งอินทรีย์ไม่แก่กล้าหรือไม่เคยได้ฟังธรรมของพระอริยะเจ้า พอมาเจอความสุขชนิดนี้ไปไม่รอดแะอย่าเพลินอยู่ความสุขชนิดนี้มันไม่ใช่ดักเราได้ครั้งเดียวนะกระทั่งเราภาวนาไปเข้าใจธรรมะไปลําดับลําดับไปนะสุขของสมาธินี่ยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นนะถึงระดับพระนาคามีเนี่ยสมาธิท่านสมบูรณ์คนที่สมาธิสมบูรณ์เนี่ยต้องเป็นพระนาคามีสมัยสมาธิท่านสมบูรณ์เพราะว่ากามมายุ่าท่านไม่ได้แล้ว จิตท่านแม่แสะใสออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตท่านตั้งมั่นเด่นดวงอยู่โดยที่ไม่ต้องรักษามันจะมีความสุขมากมหาศาลนะหลอกล่อให้ติดอยู่เป็นระยะระยะไปพอติดอยู่ในสมาธิใจก็นิ่งว่างๆสบายมีความสุขไม่ยอมเดินต่อเมื่อครูบาอาจารย์ท่านเห็นนะท่านก็จะไล่ให้ภาวนาต่อส่วนใหญ่ไปไม่รอดอนนี่หลวงปูด่ดูลบอกหลวงพ่อไว้นานแล้ว ว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่นะภาวนาไปได้แค่เป็นผีใหญ่ผีใหญ่คือไปเป็นพรหมเป็นพระนาคามีแล้เป็นพรห ม, ปาาา ม, ปมไปแค่นั้นนะ่ะนึกว่ามีความสุขที่สุดแล้วเกาะเกี่ยวอยู่กับตัวจิตเอาไว้รักษาจิตเอาไว้นะไม่ต้องรักษาเท่าไหร่หรอกจิตมันเด่นดวงนะมันอยู่อัตโนมัติเลยสมาธิมันเต็มพวกเราสมาธิไม่มีสมาธิก็พล่องกะแพร่งใช่ไหม เดี๋ยวจิตก็ไหลไปทางตาเดี๋ยวจิตก็ไหลไปทางหูไหลไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยวก็ลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนะถ้าสมาธิเราไม่มีจิตก็ไหลพระนาคามีเนี่ยจิตตั้งมั่นนะสมาธิบริบูรณ์สมาธิตัวนี้ต้องเข้าใจนะมันหมายถึงสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะเพราะพระนาคามีบางองค์ไม่ชํานาญในฌานก็ได้พระอราหันต์บางองค์ก็ไม่ชํานาญในฌานเป็นสุขาวิปสัสสกะไม่ได้เข้าฌาน จะเป็นแบบพวกเราอย่างเงี้ยเพราะฉะั้นสมาธิในระดับเข้าฌานที่จะพักผ่อนเนี่ยอาจจะไม่ชํานาญนะแต่สมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยมีเต็มบริบูรณ์มาตั้งแต่สมัยเป็นพระนาคามีละไม่หลงในกามแล้วตัวนี้มีความสุขเยอะเลยไม่ไปต่อนะคิดว่สุดทางอยู่ตรงที่รักษาจิตให้มีความสุขนี่แหละแล้วไม่ต้องรักษาด้วยนะถ้าถึงขั้นพระนาคาแล้วไม่ได้รักษาเลยมันเด่นดวงอยู่นะั้นมีความสุขมาก นี่ถ้าสติปัญญาไม่พอก็ติดอยู่ตรงนี้เองความสุขของสมาธินี่เป็นกับดักที่น่ากลัวที่สุดเลยเป็นกับดักที่ฝ่ายากที่สุดนะแต่ว่าสมาธิก็เป็นของจาเป็นต้องมีถ้าจิตไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะเจริญปัญญาไม่ได้เพราะงั้นตอนแรกถึงจะเสี่ยงแค่ไหนกับการติดกับความสุขของสมาธิก็ต้องฝึกให้จิตมีสมาธิอยู่ดี แต่ต้องเป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นนะไม่ใช่ท่าสมาธิชนิดสงบสมาธิชนิดสงบเนี่ยประกอบด้วยโมหะก็ได้ประกอบด้วยโลภะอย่างได้เลยนะแต่สมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเป็นตัวของตัวเองอยู่มีแต่กิเลส ช, ชั้นละเอียดเลยนะกิเลสพวกอาวิชาพวกอนุสัยอะไรเนี่ยยังนอนเนื่องซ่อนอยู่แต่ไม่ไม่ฟุ้งเป็นกิเลสหยาบหยาบขึบ้นมาแนละ้วนใจตั้งมั่นเด่นดวงอยู่มีความสุขเยอะ แต่วันไดสติปัญญาแก่รอบหรือเคยได้ยินธรรมะมของพระริยเจ้าว่าจิตนี่เองก็ยังตกอยู่ในภาวะที่เกิดแล้วก็ดับเป็นของแปรปรวนเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ถ้าเห็นตรงนี้อีกก็จะไม่นิ่งนอนใจเอาความสุขของสมาธิมาเป็นที่ตั้งสมาธิมีความสุขจริงๆเทียบกับความสุขที่พวกเราเคยรู้จักแต่เป็นความสุขที่เล็กน้อยมากเลยเมื่อเทียบกับพระนิพพาน เทียบกันไม่ได้เลยนะคนละโลกคนละเรื่องกันเลยคนละชั้นกันเลยไกลกันมากเลยความสุขของสมาธินะเหมือนกับความร่มเย็นของต้นไม้ใหญ่ต้นเดียวนั่นแหละแลความสุขของพระนิพพานนะเหมือนกับโอ้โหอยู่ในวนัณหอุทยานร่มรื่นเลยเทียบกันไม่ได้หลวงพ่อก็เคยไปติดสมาธิครั้งหนึ่งใจทรงอยู่ยงั้นแล้วไปเจอครูบาอาจารย์นะท่านก็เปรยเปรยใส่เลยบอกว่า คนบางคนนะ่ะเดินทางไกลอยากไปหาแผ่นดินที่ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ไปเจอต้นไม้ใหญ่เข้าต้นหนึ่งนั้นก็เป็นนอนอยู่ใต้ต้นไม้แล้วไม่เดินต่อแล้วพอใจละโดนท่านว่ากระทบเอาอนะก็เลยไม่กล้าไปติดสมาธิต่อต้องมาเดินปัญญาต่อตอนที่เดินปัญญาไม่สุกหรอกเพราะการเดินปัญญาเนเห็นทุกข์การเดินปัญญาเห็นทุกนะข์พระอรหันต์นันท่านแจ้งในกองทุกข์แล้ว รู้เลยความจริงของาธาตุของขันธ์ของกายของใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างแต่มีแต่ทุกข์ล้วนๆเพียงแต่มีทุกข์มากกับทุกข์น้อยนะคนคเขาก็เห็นว่าทุกข์น้อยคือสุขเหมือนพระอาหารหนะันต์นั้นท่านเห็นมันมีแต่ทุกข์ล้วนๆนั้นใจท่านไม่เอาโลกใจท่านคลายออกจากโลกไม่ยึดถือโลกโดยที่ไม่ได้เจตนาให้มันหลุดพ้นนะมันหลุดของมันเองอะเพราะมันรู้ทุกข์แล้วมันเรื่องอะไรมันจะไปหยิบทุกข์ขึ้นมาทีนี้พวกเราต้องมาเจริญปัญญา หัดใหม่ๆฝึกจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตตื่นจิตตื่นนั่นแหละมีความสุขอย่าหยุดอยู่แค่นั้นนะพอจิตตื่นแล้วมาดูกายมันทำงานมาดูใจมันทำงานต่อไปมันจะเห็นเลยกายนี้ก็ทุกใจนี้ก็ทุกนะอย่างร่างกายเนียถ้าเรามีสติอยู่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติระลึกอยู่ในกายจะเห็นเลยว่านั่งอยู่ประเดี๋ยวเดียวก็ทุกแล้ว เดินอยู่ประเดี๋ยวนึงก็ทุกข์นะยืนอยู่ประเดี๋ยวนึงก็ทุกข์นอนอยู่ประเดี๋ยวนึงก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะต้องกลางคืนถนะ้าไปสังเกตสติเราดีๆเรารู้เลยคืนหนึ่งเราพลิกตัวทั้ง 30- 40ิบสี่สิครั้งนะทำไมต้องพลิกตัวเพราะมันทุกข์แต่คนเข่าไม่เคยรู้สึกนะคนมีสติมีปัญญาจะรู้ว่ามันทุกข์นะกลางวันก็ทุกข์กลางคืนก็ทุกข์ใหม่ๆยังไม่เห็นนานๆจะทุกข์ทีหนึ่งอย่างนั่งอยู่นี่นั่งใหม่ๆยังไม่ทุกข์ นั่งไปสักพักแล้วเมื่อยเมื่อก็ค่อยทุกข์ขึ้นมาความจริงมีทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยลองหายใจออกไปเรื่อยๆไม่หายใจเข้าก็ทุกข์นะก็ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าไปเรื่อยๆก็ทุกข์อีกต้องหายใจออกแก้ทุกข์สุดท้ายมันเห็นนะในกายในใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยยืนเดินนั่งนอนอยู่มีแต่ทุกข์หายใจออกหายใจเข้ามีแต่ทุกข์กินอาหารก็ทุกข์นะขับถ่ายก็ทุกข์ไปอาบน้ําก็ทุกข์นะใครเคยเห็นว่าร่างกายนี้มีภาระมาก รู้สึกไหมต้องปฏิบัติทั้งวันเลยเป็นทุกข์นะเนี่ยพอเรามีสติรู้มันไปเรื่อยนะโอ้โมีแต่ทุกข์นะต้องคอยบำบัดทุกข์ทั้งวันเลยต้องคอยบำบัดทุกข์ทั้งคืนเลยเดี๋ยวก็ต้องพามันกินข้าวเดี๋ยวต้องพามันไปขับถ่ายเดี๋ยวพามันไปอาบน้ําพามันไปใส่เสื้อผ้ากันหนาวกันร้อนนะเดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยวคันตรงโน้ น, ต ร, น, นตรงนี้ไม่มีอะไรกัดก็คั น, นเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยตลอดเวลาเลยมีแต่ทุกข์ จะเฝ้ารู้ไปเรื่อยนะใจมันจะคลายความรักในร่างกายลวงพ อ, อมันเห็นทุกแจ่มแจ้งนะมันไม่รักกายไม่ยึดถือกายแล้วกายนี้ไม่ใช่ของดีนะจิตก็เคลื่อนออกพลากออกจากกายไม่ยึดกายแต่ไม่ได้พลากออกไปนอกร่างกายเลยหรอกมันก็อยู่ในร่างกายนะนะั่นแหละแต่มันไม่ยึดถือต่อไปร่างกายจะแก่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายนะจิตไม่หวั่นไหวนะจิตไม่ยึดถือกายเนี่ยค่อยฝึกนะปัญญามันเกิด ถัดจากนั้นก็มันจะเข้ามาที่จิตแล้วมาดูเลยจิตนี่มีแต่ทุกข์รุนๆุนเคยอ่านหนังสือของหลวงตามหาบัวอันนี้ท่านไม่ได้เล่าให้ฟังเองเห็นในหนังสือท่านท่านเล่าตอนที่ท่านภาวนาจะแตกหักท่านบอกใจของท่านนั้นเด่นดวงตลอดเวลาเลยนะมันเป็นภูมิธรรมที่ใจเด่นดวงอยู่ตลอดนะ แล้วตามมาท่านพบว่าใจที่เด่นดวงมีความสุขสว่างสวัยนะมันมองได้ใจที่สว่างสวัยนะั้นมันมองมองไปพอเห็นว่าใจที่สว่างสวัยม อ, มองมองได้นะรู้สึกว่าตรงนี้ยังไว้ใจไม่ได้ตัวจิตผู้รู้เนี่ย เ, เป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ท่านจะเดินปัญญาต่อนะพีจนารณานลงมาในตัวจิตต่อจนกทั้งเห็นความจริงนะจิตเป็นตัวทุกข์นั่นแหละแล้วก็ปล่อยจิต สุดท้ายก็ต้องปล่อยวางทั้งกายปล่อยวางทั้งจิตแต่ว่าไม่ใช่ปล่อยแล้วมันจิตถอดออกจากร่างไปอยู่ที่อื่นไม่ใช่ก็อยู่ในกายนี้แหละแต่มันไม่ยึดกายนะอยู่จิตเกิดดับหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแต่มันไม่ยึดจิตมันเป็นอิสระจากกายจากจิตอันนี้พูดโดยภาษามนุษย์นะ่ะฟังยากต้องภาวนาออกเรจะรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆ จ, จิตมันพลากจากขันนะ แต่ไม่ใช่พลากแบบเปลี่ยนโลเคชันจิตออกไปอยู่นอกขันไม่ใช่อยู่ด้วยกันนะแต่พลากออกจากกันเหมือนน้ากับน้ํามันนะอยู่ในกระป๋องเดียวกันแต่พลากออกจากกันแต่มันก็ไม่เหมือนทีเดียวจิตที่พลากจากขันเนี่ยไม่เหมือนน้ากับน้ํามันที่แยกชั้นกันนะจิตที่รวมอยู่กับขันนั่นแหละแต่มันไม่กระทบกับขันมันแปลกนะมันไม่กระทบกันมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกันถ้าเรียกว่ามันพลากจากกัน โดยภาษามนุษย์โดยตักกะโดยอะไรนี่คิดยากของเราถ้าคาว่าพลากจากกันนี่ต้องแยกชั้นกันออกไปนะอย่างน้อยก็เหมือนน้ำกับ น, น้ำมันแยกออกจากกันมันก็ไม่เชิงมันอยู่ด้วยกันมันคล้ายๆอย่างนี้มากกว่าเหมือนน้ำกับอากาศออกซิเจนอะไรที่อยู่ในน้ะมันอยู่ด้วยกันอย่างนะั้นเะหมือนน้ำกับความร้อนอยู่ด้วยกันในน้ำมีความร้อนไหมมีอุณหภูมิหมไม่มีหรอ ในน้ํำก็มีความร้อนนะไม่งั้นมันคงแข็งไปหมดแล้วและความร้อนอยู่กับน้ําเงี้ยแต่ว่ามันพลากจากกันนะเหมือนคนละอันกันจิตที่อยู่กับขันนัก็อยู่อย่างนั้นนะเหมือนออกซิเจนที่อยู่ในน้ําเนี่ยเหมือนความร้อนที่อยู่ในน้ํามันอยู่ด้วยกันนะแต่มันคนละอันกันมันไม่กระทบกระทั่งกันด้วยค่อยภาวนาแล้วจิตพลากจากขันแล้วพ้นทุกข์ จิตเกาเกี่ยวขันก็ทุกต่อทําไมเป็นอย่างนั้นเพราะขันเป็นตัวทุกข์ยิ่งเราภานาเห็นความจริงของขันมากเท่าไหร่เราจะเห็นทุกข์มากเท่านั้นเห็นทุกข์สุดขีดนะใจจะพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ใช่มาโซคีสได้ทุกข์ทรมานแล้วมีความสุขไม่ใช่ไม่ได้เป็นโรคจิตอย่างนั้นเห็นทุกข์นั่นแหละใจจะพ้นจากทุกข์ เป็นศาสตร์ที่ท่านค้นพบนะซึ่งใครๆเขาก็นึกไม่ถึงใครๆก็มีแต่หาทางดับทุกข์หาทางหนีทุกข์เพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ทุกข์แล้วก็นิยามความว่าทุกข์ด้วยทุกข์ก็คือขันห้าคือกายกับใจคือรู ป, ปรนามนี่เองงั้นหน้าที่เราต้องรู้รูปรู้นามไม่มีทางบารรลุมรรคผลนิพพานนอกจากการรู้รูปรู้นามเลยที่จะบรรลุพลระอรหันต์แต่และองค์ท่านต้องแจ้งในรูปนามนี้แหละไม่ใช่ไปแต่งจิตเอานะ บางคนภาวนาแล้วไปแต่งจิตแลไปดูว่าจิตพระอรหันต์เป็นยังไงไปดูแล้วก็ทำให้เหมือนๆไม่จริงยังไม่ผ่านการรู้รูปนามเพาะั้นทิ้งการรู้รูปรู้นามไม่ได้นะถ้าทิ้งการรู้รูปน้นาแล้วไม่บรรลุธรรมจริงหรอกของโกหกนะงั้นเราไม่แต่งจิตไม่แต่งจิตให้เหมือนๆถ้าแต่งพอเหมือนๆไม่ใช่ของจริง หลวงปู่ล่านะสอนสอนดีเลยบอกว่าผู้รู้ไม่ใช่พันิชภานฝนะากผู้รู้ไปจนไม่มีที่กาหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนๆว่าอย่างนี้คนะือถ้ายังมีการทำอยู่นะเหมือนเหมือนนิพพานแต่ไม่ใช่หรอกคล้ายๆได้แค่คล้ายๆไม่ใช่ของจริงต้องรู้ทุกแจ่มแจ้งนะถ้ารู้ถึงกระทั่งว่าตัวผู้รู้ก็เป็นตัวทุกนะจิตจะปล่อยตัวผู้รู้นะ อันนั้นเราถึงจะเป็นพระอรหันต์ได้แต่ถ้าไปแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นแต่งจิตให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของตัวจิตผู้รู้ไม่ใช่พระอรหอันตะ์หรอกเพราะเราต้องค่อยภาวนาค่อยเรียนค่อยดูไปยากไปไหมเช่นไม่ยากนะทําได้หรือฟังไม่ยากหรอกฟังใครพูดก็ไม่ยากนะให้หลวงพ่อไปฟังสมมติไอสไตล์ยามาพูดให้ฟังได้ก็ไม่ยากแต่ไม่รู้เรื่องอะ ไม่เห็นยากเลยก็แค่เสียงกระทบหูงั้นพวกเราหัดนะหัดขั้นแรกสุดหัดรู้สึกตัวให้ได้อย่าให้ใจเตลิดเปิดเปิงอย่าให้ใจร่องลอยไปหัดรู้สึกตัวหัดรู้สึกตัวได้แล้วก็ขั้นที่สองหัดเจริญปัญญาตรงที่หัดรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยคือฝึกจิตให้พร้อมสําหรับการเจริญปัญญาให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่ง นะถ้าไม่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานะไปแยกขันไม่ออกไ่ทำมิปัสนาไม่ได้นะขนาดแยกขันได้ยังไม่ขึ้นมิปัสนาเลยนะแยกขันได้แล้วต้องเห็นขันแต่ละขันแสดงใรลักษถึงจะเป็นมิปัสนางั้นถ้ายัางขันยังรวมกันเป็นกระจุกเป็นก้อนเดียวอยู่ไม่แยกเนี่ยนะทำมิปัสนาไม่ได้จริงต้องค่อยๆแยกขันเอานี่ขันจะแยกได้จิตต้องตั้งมั่น พอจิตตั้งมั่นนะพอสติระลึกในร่างกายมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยโคลานกันตรงที่เห็นว่าร่างกายกับจิตเป็นโคลานเนี่ยขันมันแยกและบางคนไม่ถนัดแยกขันทางกายไม่แยกขันทางใจก็ได้เช่นเห็นความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นนะความสุขความทุกข์กับจิตเป็นโคลานกันความสุขความทุกข์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างนี้ก็เรียกว่าแยกขันเหมือนกันเพราะความสุขความทุกข์เป็นเวทนาขันจิตเป็นวิญญาณขัน หรืเห็นกุศลอกุศลเช่นใจมันโกรธคนไหนขี้มโมโหใจมันโกรธบ่อยก็เห็นเลความโกรธมันผุดขึ้นมาเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความโกรธกับจิตเป็นคนละอนนี่ก็แยกขันนะเพราะฉั้นถ้าแยกขันได้นะแต่ละขันนั้นจะแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกก็เราไม่มีมันเป็นของที่เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะไม่ใช่ตัวเรางั้นถ้าแยกขันไม่ได้นะไม่เห็นไตรลักษ ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานต้องเห็นไตรลักษณ์ของาธาตุของขันจะเห็นได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทุกวันนี้พวกเราที่พาวนานจนถึงจิตเป็นผู้รู้เนี่ยเยอะมากเลยหลวงพ้อกล่าวว่าคงหลายหมื่นอยู่ที่เห็นเหน็เยอะมันไม่เหมือนเดิมถามว่าจิตใจฟังธรรมะนะฟังด้วยตัวเองบ้างฟังซีดีบ้างอะไรเนี่ย จิตใจเปลี่ยนไปรู้สึกไหมคนจำนวนมากเลยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าทุกมันห่างๆออกไปนะทั้งที้ไม่ได้ทำอะไรมันเลยทุกมันห่างๆออกไปได้ใจมันอยู่ต่าหากค่อยๆฝึกไปก็ขันมันแยกนะเห็นเลยแต่ละขันตกอยู่ใต้ใจรักพอเห็นจนจิตยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ใจรักก็ได้ธรรมะแล้อยากได้ธรรมะก็ต้องดูขันมันทางานนะ ดูใจรักของขันไปไม่มีอะไรง่ายๆแค่นี้เลยธรรมาของท่านตรงไปตรงมาขันมีแต่ทุกข์เห็นได้ก็ปล่อยขันได้เห็นไม่ได้ปล่อยไม่ได้ง่ายง่ายง่ายไหมว <c oughs> ันนี้ทํำไมเทศจบเร็ว <c oughs> ใครจะส่งกันบ้านไหมยเราจะได้กลับไปได้เลย <c oughs> <c oughs> มีความสุขรู้สึกไหมมีความสุขแต่ประกอบด้วยความหลง นึกออกไหมตอนที่หัวล้อกันเมื่อกี้นี่ยมีความสุขแต่หลงสังเกตไหมความสุขตอนเนี้ยเริ่มนิ่งเปลี่ยนเป็นอุเบกขารู้สึกไหมเพราะงั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าความสุขเมื่อกี้ประกอบด้วยโมหะความสุขเนี่ยประกอบกับโมหะก็ได้นะประกอบกับกุศลก็ได้จิตที่เป็นกุศลก็มีความสุขจิตที่มีโลภะก็มีความสุข นะมีโมหะแล้วก็หลงเพลินไปพอโอเคพอใจมีโลภะนั้นเวลาที่จิตมีความสุขเนี่ยนะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้อย่างเมื่อกี้เพลินใช่ไเพลินแนละจิตก็มีราคะนะยินดีพอใจเราก็ไม่รู้ไม่เห็นนะอันนั้นเป็นความสุขชนิดที่มีโลภะเรียกว่าโลภะมูลจิตจิตชนิดที่มีโลภะเป็นฐานหลงไปก่อนนะแล้วก็เพลินไปในความหลง โลภะอยู่อยู่ไม่เกิดเราต้องเกิดร่วมกับโมหะเสมอส่วนจิต ท, ที่เป็นบุญเป็นกุศลก็มีความสุขได้เพราะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตมีความสุขขึ้นมานะจิต ท, ที่เป็นสุขเนี่ยเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้แต่จิต ท, ที่เป็นทุกข์เนี่ยเป็นอกุศลล้วนๆนจิต ท, ที่เป็นกุศลจะไม่มีความทุกข์ เวลาที่จิตเป็นกุศลจะมีเวทนาคือความรู้สึกสองอย่างมีโสมนัตมีความสุขทางใจแกอุเบกขางั้นถ้าเมื่อไร่จิตเราทุกข์ขึ้นมาจิตเราเครียดขึ้นมานะให้รู้ทันเลยว่าเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลชนิดโทสะมูลจิตคือจิตที่มีโทสะเป็นมูลเป็นฐานงั้นเราค่อยๆสังเกตไปงั้นบางทีมีความสุขโอ้มีราคาแนะแทรกก็รู้ทันตรงที่รู้ทันนะ จิตเป็นกุศลมีความสุขก็ได้เป็นอุเบกขาก็ได้อย่างขณะ น, นี้คนไหนรู้สึกมีความสุขบ้างลองยกมือซืมันไม่เหมือนกับความสุขตอนที่หัวเราะตะกี้นึกออกไหมตอนที่สุขที่หัวเราะตะกี้มันหลงด้วยเพราะมีโมหะประกอบนะความสุขตรงนั้นต้องเป็นความสุขที่เป็นโลภะแน่นอนเลยความสุขที่ประกอบด้วยความหลงแสดงว่าเป็นสุขที่ต้องมีโลภะแทรกอยู่ แต่ถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างนี้แล้วมีความสุขขึ้นมานะเป็นความสุขที่เป็นกุศลนะพระละหันมีความสุขนะมีความสุขมากจิตท่านมีความสุขมีอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นความสุขที่ประนนะีตรวมความแล้วมีแต่ความสุขล้วนๆเลยแต่ว่าท่านไม่มีราคะาถ้าท่านไม่มีโมหะเป็นฐานถ้าไม่มีโมหะราคะก็เกิดไม่ได้นะะความหลงนี่แหละเป็นโคตรเป็นเ ง, งาของกิเลสนะตัวโมหะเนี่ย เห็นไหมมันเริ่มมาจากหลงก่อนอย่างก่อนจะโกรธต้องหลงก่อนนะก่อนจะโกรธต้องโลภก่อนังเกตนะกระทั่งโกรธนะโกรธมาจากโลภอีกทีต่อกันมานะอยากได้แล้วไม่ได้ก็โกรธหวังแล้วไม่สมหวังก็โกรธนั้นกิเลสมีตะกูลมันนะหัวโจนนบันพบโปรดมันคือตัวโมหะตัวหลงตัวลูกมันก็คือตัวโลภะ ตัวหลานมันก็ตัวโทสะเป็นตระกูลทำมาหากินกันเป็นตระกูลเลยค่อยเรียนค่อยรู้ไปนะแต่เวลาค่ามันตายนะจะข้าโทสะตายก่อนแ ล, ล้วข่าหลวงาบางอย่างข้ากามาราคะพร้อมๆกับโทสะแต่ราคาที่ละเอียดยังมีอยู่ความยินดีพอใจในความสุขความสงบของสมาธิอะไรเงี้ยยังมีอยู่ เท่ น, นั้นเรียกว่ารูปราคาอรูปปราคช า, า, ปป า, คางั้นตัวที่ตายเบ็ดเสร็จตัวแรกเลยนะตัวโทสะแล้วราคาบางส่วนเนี่ยตายพร้อมกับโทสะราคาบางส่วนจะไปตายพร้อมโมหะตัวรูปปราคช า, ารูปปราคชาเนี่ยตายพร้อมกับโมหะหัวหน้าโมหะคืออวิชชาอุทัศอุทัศจะก็เป็นโมหะนะพระอราหันต์เนี่ยท่านล้างอาวิชชาล้างอุทัศจะ สิ่งที่เป็นโลภะก็มีตัวตั ว, ตวมานะอยู่ในตระกูลโลภะตัวมานะตัวรูปปราคาักะอรูปปราคะงั้นโทสะเนี่ยตายก่อนเพื่อนเลยให้ฝึกไปนะมันตายเองไม่ต้องไปฆ่ามานันหรอกยากไปไหมเนทในฐานะที่เมื่อกี้หัวเราะแล้วขาดสติ <laughs> เห็นไหมตอนนี้หัวเราะแต่มีสติรู้สึกไหมจิตไม่เหมือนกันหรอกมันมีความหัวเราะแล้วมันมีความแช่มชื่นไม่ใช่สนุกสนานมันมีความแช่มชื่นใจนะจิตที่เป็นบุญเป็นกุศลมันแช่มชื่นแต่ไม่ใช่สนุกสนานก็ดีกะดา่านะความประนีตของจิตนั้นแตกต่างกันถ้าจิตของเราคุ้นเคยกับความแช่มชื่นถ้ามันกะดีกระดาขึ้นมาจะรู้เลยว่ามันทุกข์ แต่ถ้าจิตไม่เคยรู้จักธรรมะแห่งความแช่มชื่นนะกระดีกระดาขึ้นมารู้สึกเป็นสุขนะงั้นค่อยๆภาวนาจิตประณีตขึ้นประณีตขึ้นเห็นเลยว่าความปรุงแต่งแม้แต่นิดเดียวก็เป็นทุกข์ความปรุงแต่งนะเล็กนิดเดียวก็เป็นทุกข์ละถ้าจิตเคยชินกับภาวะที่ไม่ปรุงแต่งแต่จิตของคนทั้งหลายเนี่ยเคยชินกับภาวะแห่งความปรุงแต่งงั้นปรุงขึ้นมาก็รู้สึกสนุก รู้สึกสนุกเพลิดเพลินตะ่ะหนึเปิดเผยพอมันหายไปก็เสียดายแท้จริงนะความสุขเกิดขึ้นนะก็เป็นเครื่องเสียดแทงใจความทุกเกิดขึ้นก็เป็นเครื่องเสียดแทงใจความปรุงแต่งใดๆเกิดขึ้นเป็นความเสียดแทงด้วทั้งนั้นเลยส่วนพระลนะหันน่ามีความสุขแต่มันเข้าไม่ถึงเราเข้ามาเสียดแทงใจไม่ได้ท่านไม่เมียวท่านไม่เอาท่านปล่อยใจไปแนละ้ว ของเราถ้าปล่อยใจก็เละเลยใช่ไหมเราต้องเอาใจไว้ก่อนนะต้องมีตัวรู้ไว้ก่อนแล้วค่อยปล่อยทีหลังเห็นทุก <principle> ข <essel wanted> ์ก็พ้นเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมนะไปทานข้าวไปนิมนต์เลยครับนิมนต์